พรธรรมเทศนาแผ่นที่95าลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่1กันยายน2559มีชื่อเรื่องว่าส่งบุญให้นามธรรมาวันนี้เป็นวันที่หนึ่ง กันยายนพุทธศักราช2559ัวันนี้เป็นวันแรม14ข่ําำเป็นวันพฤหัสนะักขัศรัทธาญาติโยมลูกหลานเพราะนั้นจึงไม่มีพวกข้าราชการหรือว่าผู้ที่ทำงานส่วนราชการหรือว่าพ่อค้าที่เกี่ยวกับงานราชการไม่มากวันนี้มีแต่พวกชาวตลาดหรือชาวบ้านของพวกเรา ที่มาทําบุญวันนี้เพราะว่าไม่ใช่วันจุดวันนี้ไม่ใช่วันจุดราชการก็เลยทําให้พี่น้องประชาชนผู้ที่ทํางานมาไม่ได้ตกติดงานแต่วันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญถ้าเป็นชาวจีนก็ว่าเป็นวันศาสตร์เป็นวันศาสตร์จีนถ้าว่าเป็นทางทางภาคใต้ก็ว่า ทำมนุษบุญอะไรเทกระจัดกทางภาคเหนือเขาบอกปลอยหลวงฮะแต่ทางอีสานเขาบอกข้าวประดับดินแต่คราวหน้าเนี่ยวันเดือน10เแผ่นเนี่ยเป็นวันเดือนวันข้าวฉลากกระพัดนะในพรรษาจะมีสองวันวันข้าวประดับดินกับวันข้าวฉลากกพัดคือวันเดือน10บแผ่นจะมีพี่น้องประชาชน มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวบนนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันทําบุญอุทิศส่วนกุศลแต่ก็วันนี้เป็นวันพระที่ลงพระลงอุโบสถ ด, ด้วยวันนี้แต่พระก็ได้ลงอุโบสถเมื่อเช้านี่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ต่อนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรก่อนที่พระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรใพนใพวกเรา เตรียมตัวเตรียมใจอุทิศส่วนกุศลวันนี้เรามาทําบุญเราจะอุทิศส่วนกุศลให้ท่านผู้ใดในตระกูลของเราหรือเรามีความเน้นหนักท่านผู้ใดในตระกูลของเราที่พวกเราได้มาทําบุญในวันนี้นะจากนั้นเราก็อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปการะร ค, คุณท้าวว่าท่านผู้ใด ที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราได้ก็ข อ, ขอมารับจากบุญจากกุศลจากเราเรายินดีอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณเพราะว่าเราเกิดมาไม่ใช่เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวอย่างที่พระพุทธเจ้าที่เรานได้ตรัสไว้ว่าปุกเพนิวาสานุจติยานละลึกชาติทุนหลังได้ก็ว่าชาติทุนหลังกับชาติที่แล้วนะ เราเกิดมาก็คงจะมีพี่มีน้องมีวงศาข้าดาญาติมีญาติมิตรสหายอย่างชาตินี่แหละและกรชาติต่อต่อไปอีกล่ะก็มีเหมือนกันเพราะเราเกิดมาเป็นลูกกี่ภพกี่ชาติเพราะฉะนั้นแต่ละภพแต่ละชาติก็เป็นญาติโกโหติกาของพวกเราทั้งหมดเกิดมาชาตินี้เราก็รักพี่รักน้องรักเพื่อนรักฝูงในชาตินี้แต่ชาติที่แล้วพวกเราอาจจะได้เกิดร่วมกับเขา มาชาตินี้เขาอาจจะมาเกิดร่วมกับเราเองหมุนกันมาเวียนกันมายังว่าวัฏะสงสารเพราะฉะนั้นพวกเราได้มาเกิดพบนี้ชาตินี้ญาติพี่น้องในอดีตชาติก็คงจะมาเกิดร่วมกันไม่ใช่จะเกิดแต่ญาติพี่น้องนะคู่อริคู่ศัตรูคู่เกียรติคู่ชังก็คงจะมาเกิดด้วยก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าของเราไม่ใช่เกิดแต่วงศาข้าหนาญาติ ผู้คู่อริคู่ศัตรูก็คือพระเทวทัตก็มาเกิดด้วยเหมือนกันพอมาเกิดแล้วก็แข่งกันอีกแข่งดีชิงดีชิงเด่นกันพอเห็นกันแล้วก็ขวางหูขวางตากัน <c oughs> นั่นแหะอันนี้แปลว่าเกิดมาในโลกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเกิดมาแต่ผู้มีพระคุณอย่างเดียวนะคู่อริคู่ศัตรูก็เกิดขึ้นมาด้วยแต่ถึงยังไง พวกเราได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะไม่พอใจไม่พอใจขนาดไหนเราก็ต้องทําใจเรานะโอโหสิกรรำเราต้องนึกว่าเราพร้อมที่จะให้อโหสิกรรมต่อทุกคนต่อ ท, ทุกดวงวิญญาณถึงใครจะผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรพอใจไม่พอใจกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะให้อโหสิทั้งหมด ข้าพเจ้าจะไม่ขอกอกรรมทําเข็ญก่อเวรกับใครๆทั้งหมดในพื้นปตภีกับดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณดวงใจทุกดวงใจเข้าพเจ้า ย, ย, ยินดีโอหัิกรรมแล้วก็ขอให้ท่านที่มาผูกเวรผูกกรรมก็ขอให้เจริญด้วยระลาบยศจัลเสศสุขตามที่ท่านต้องการปรารถนาเราไม่ใช่ว่าจะให้ปล่อยแช่งเขาให้เขา ดับมูดจีบหายไม่ใช่นะเราให้เราให้เขาเจริญอีกต่างหากนะทั้งที่เราไม่ผูกกรรมผูกเวรกับเขาแล้วนะเรายัางยังจะให้เขาเจริญมีความสุข ก, กายสุขใจของเขาอีกต่างหากนะแต่จะได้มามีเวรมีภัยต่อกันสําหรับเราเราไม่ขอจองเวรจองกรรมกับใครใครๆแล้วนะนี่แหละในจิตใจของเราเราต้องนึกคิดอย่างนั้น แต่ถ้าเรามีการพยาบาทอาฆาตจองเวรกันอยู่เวรจะไม่ระ ง, งับนะจะอีรันพันตูกันเกิดมาพบนี้ชาตินี้ก็เอาเถอะพอเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็เอาเองอีรันพันตูกันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงออสอนพุท ธ, ธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอย่าได้จองเวร อ, อ, อย่าได้ผูกพยาบาทอาฆาตในจิตใจ ให้มีเมตตาต่อกันให้อโหสิให้กันซึ่งกันและกันถ้าพวกเราให้อโหสิแต่เขาไม่อโหสิล่ะถ้ามีคําถามเขาว่เขาไม่อโหสิล่ะไม่อโหสิก็ไม่เป็นไรเพราะเราเป็นผู้ยอมแพ้เขาตบมือมาเราไม่ตบมือตอบนะก็ตบลมตบแรงไปอย่างนั้นแหละแต่เน่ยผลในส่วนก็ะหังเหินกันไปแต่ท่าว่าพวกเรามีความพยาบาทอาฆาตกันอยู่ หวังแพ้หวังชนะกันอยู่ถ้ามันตกมาเหมือนแล้วก็ตกเมื่อไปต่างคนก็ต่างไม่รถราวาสอกต่อไปก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเท่ทีแรกก็ตัวต่อตัวก่อนต่อมากันดึงวงสาขาญาติเข้าไปต่อมากันดึงประเทศชาติเข้าไปอีกลบลาข้าวฟันกันเพราะอะไรเพราะเป็นคู่อริคู่ศัตรูกันอย่างในพัฒนัยปิฎกไมโลวากี กี่เรื่องกี่ราวในชาดกนะเพราะพระเจ้าของเราเกิดมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินอีกเมืองหนึง่ง เ, เทวทัตเกิดมาเป็นพระเจ้าเป็นนิเดกเมืองหนึงผลที่นนสุดก็ลบยกพวกไปตีกันแต่ทดที่แท้ก็คือคนสองคนนะ่ะไม่ถูกกันก็เลยบริษัทธบริวารก็เลยพลอยไปอิรันพันตูกันด้วยล้มหายตายจากไปเท่าไหร่นี่อันนี้ก็คือคนสองคนทะเลาะกัน แต่ก็ทําให้บริษัทบริวา ร, รจิบหายไปด้วยตายไปด้วยอแต่ทั้งสองคนนี่กันนั่นนะบางทีก็ถอยกันแต่บริวารตายไปแล้วเท่าไหร่นี่แหละอันนี้คือเวรกรรมกรรมเวรทั้งหลายแหล่มันจะอิรันพันตูไม่มีที่สิ้นสุดถ้าหาว่าพวกเราให้โอโหสิกรรมซะอย่างพระพุทธเจ้า ก, ก็ใช่ให้โอโหสิกรรมกับพระเทวทัตแต่พระเทวทัตเนี่ยสิไม่ให้โอโหสิกรรมกับพระพุทธเจ้าใช่ ผูกพยาบาทอาฆาตอยู่ตลอดเลยเอใครเขา่าเห็นอะไรก็คว้างหูควางตาทั้งที่พระพุทธเจ้าให้โอ้สีกรรมผลที่สุกอรู้นะรู้แก่ใจพระเทวทัตป่วยเข้ามาลูกน้องเอาเข่าก็แทกหน้าอกอาเจียนเป็นเลือดนป่วยเข้ามาดเลยพอป่วยเข้ามาเลยระลึกถึงพระพุทธเจ้าโอ้ยขอให้พาเราไปกราบพระพุทธเจ้าด้วยเทิร์น พวกลูกน้องบริวารเ อ, อ๋ยสมัยเมื่อยังแข็งแรงยังมีอํานาจวาสนาออได้พระเจ้าอัสศาศาสัจจตโตเป็นบริวารเป็นลูกสมนเนี่ยคิดฆ่าพระพุทธเจ้าไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่หนกี่รอบเขาก็รู้กันอยู่ปล่อยช้างนารากิเลงก็ใไช่ขึ้นไปบนภูเขากิ่งก้อนหินทัพพระพุทธเจ้าก่อไช่จ้างนายขมังธนูไปยิงพระพุทธเจ้าก่อไช่หลายเรื่อง เวลาตัวเองป่วยจะตายแล้วทําไมจึงจะให้ไปกระกาศพระพุทธเจ้าพาไปกราบโอ้ยใครจะพาไปไอายไปพระพุทธเจ้าจะให้กราบแล้วไม่ก็ไม่ทราบทําไมจึงไม่กล้าคิดอย่างนั้นเทวทัตเอาเท่านาพระพุทธเจ้าเหมือนกับแผ่นดินท่านไม่ได้เลือกผกสัตว์สาราสิงอริศัตรูอะไ ร, ร, ร, ะไรท่านไม่ได้คิดคิดไม่ได้แยกแยะเลยท่านมีเมตตากับกทุ ก, ทก ดวงใจทุกๆดวงวิญญาณนน่นะพอถึงโคงสุดท้ายรู้แล้วนะจำเนกผิดอยังบรรยายไปอีกว่าพนะระพุทธพระไทยของพระพุทธเจ้าใจของพระพุทธเจ้าพระไทยของพระพุทธเจ้าพระราหุลลูกของพระพุทธเจ้าเช่นไสรสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกตลอดถึงเราด้วยพระพุทธเจ้าถือึงเหมือนกันหมดถือึเหมือนกับปุต เหมือนกับถือสมเหมือนกับพระราหุลที่เป็นบุตรของพระพุทธเจ้าไม่มีอันไหนที่จะยิ่งย่อนพราะพระไทยของพระองค์เป็นมาตรฐานเป็นสแตนดาร์ดไม่มีคําว่าอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวียนกับใครๆทั้งหมดมีแต่เมตตานะเอาเถอะพาเราไปกราบพระพุทธเจ้าเราจะได้อโหขออโหสิกรรมจากพระพุทธเจ้านะเห็นโทษโค้งสุดท้ายจึงเห็นโทษจากนั้น พวกน้องลูกน้องบริวารก็ได้หามเทวทัตมานะหามมาจากเมืองกรุงราชคฤห์มากรุงสาวัตถนะวีวัดวัดป่าเชิดตะวันนะอพอหามมาพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเทวทัตไม่ได้เห็นหน้าตถาคตไ ม, ไม่ไม่เห็นหน้าเล่าหรอกเพราะเหตุไรเพราะเขาประกาศวันที่แยกสงฆ์ออกจากกันทําลายสงฆ์ให้แตกกันสังฆเภทยุยงสงฆ์ให้แตกกัน เทวทัตบอกว่าต่อเนื่อไปเราจะไม่ลงอุโบสถสังฆกรรมกับพระพุทธเจ้าอีกแล้วเราจะแยกเป็นใครเขาวัดเป็นแยกเป็นาศาสตาขึ้นมาอีกาศาสนาหนึ่งาศาสตาหนึ่งพระพุทธองค์ก็บอกว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทวทัตจะไม่เห็นหน้าเราเพราะเขาแยกของเขาเองไม่ใช่เราให้แยกเขาแยกของเขาเองแล้วนะจากนั้นเทวทัตกับพอ่อจะมากราบพระพุทธเจ้า พระองว่ามาใกล้ก็ไม่เห็นเขามาส่งสู่ที่วัดหน้าวัดป่าเชตวัน่ออพอหามพอพวกที่หามมากับเหงื่อแตกเหงื่อไหลจะมาเหนื่อยหามคนใช่ไหมหามคนนักเป็ดพอมาถึงหน้าวัดป่าเชตวันมีสระน้ําอยู่ในนั้นเออป่ะพวกเราเอาเอาหลวงพ่อเทวทัศน์ไว้เอาไว้ในริมสระซะก่อนพวกเราลงไปอาบน้ำซะก่อนเราจึงจะหามเข้าไปฮ โบนั้นก็วางเตียงลงไปในวัดหน้าวัดป่าเชตวันที่ริมสระน้ำํำพระที่หามาสีองค์ก็ลงไปเพื่อจะอาบน้ำํำพอลงไปอาบน้ําเทวทัตก็เห็นเขาลงไปอาบน้ำตัวเองก็ลุกขึ้นมานั่งพอนั่งอะไรหย่อนขาลงไปย่อนตีนลงไปข้างเตียงพอย่อนเท้าลงไปข้างเตียงเท่านั้นแผ่นดินแยกเลยพอแยกดูดเลย แผ่นดินดูดเทวทัตดูดลงถึงเอวถึงหัวเขา่าถึงเอ ว, เอวถึงลักแล้พ้นไปถึงถึงคอแผ่นดินดูดถึงคอเทวทัตสำเนกโอ้ข้าพระพุทธเจ้าได้กระทําสิ่งใดด้วยประมาทพลาดพังสิ่งใดได้กระทาสิ่งใดก็ตามด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอพระ อ, องค์จงโปรดโอโหสิกรรมให้กับข้าพรเจ้าด้วยเถินข้าพรเจ้าเป็นผู้โง่เขลาเบาปัญญา เป็นผู้ที่ไม่สงควรที่จะทำบาปกรรมทั้งหลายปวดปวดพระองค์เอาหวสวีกรรมให้ข้าไปเจ้าด้วยเทินนั่นและเอาขากรรไกรข้าไปเจ้าจะขอเอาขากรรไกรคือคางนะ่ะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพระพุทธทเจ้ า, าจนั้นกับแผ่นดินก็สูกลงไปในในพื้นปฐพีนะาจากนั้นมาก็หายเงียบไป อันนี้ก็คือพระพุทธองค์บอกว่าถ้าหากว่าเราไม่บวชให้เทวทัตเทวทัตจะไม่ละเลิกถึงจะไม่รู้จักบุญคุณจะไม่รู้จักศีลจากธรรมไม่รู้จักสัมมาคารวะไม่รู้จักสัมมาล า, า, าโทษแต่เมื่อเขาบวชเข้ามาแล้วเขารู้จักดีรู้จักชั่วแต่เขาอดอความอิจฉาของเขาไม่ได้เพราะบาปกรรมของเขาที่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรมานานเขาก็เลย ผูกพยาบาทจนถึงที่สุดเพราะนั้นเขาจึงเห็นโทษโค้งสุดท้ายาพระพุทธองค์ก็ท่านก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองให้กับดวงวิญ ญ, ญาณใดๆอยู่แล้วเนะ พ, พราะพระองค์พร้อมที่จะให้โอโหสิกรรมเ พ, พราะพระองค์ไม่ถือโทษอยู่แล้วโทษกัอยู่กับผู้ทํากรรมอยู่กับผู้กระทำเองเจวทัดก็ได้รับไปถ้าว่าไม่ได้กาบคลุวะ ไม่ขอคํา ม, มาจากพระพุทธเจ้านะเทวทัตจะไม่ได้รับพยากรนะแคลยๆว่าไม่มีทัาพยากรหายเงียบไปเลยไม่รู้เท่านั้นเท่าไหร่แต่นี้เมื่อเทวทัตได้เอาขากันไกลบูชาพระพุทธเจ้าถึงจะไปตกอยู่ในเอเวจีมหานรกแต่พระพุทธเจ้าก็ได้ทํานายไว้ว่าต่อไปภายภาคหน้าเทวทัตพอผลจากเอเวจีขึ้นมาแล้วจะมาเบียดไหว้ตายเกิด สั่งสมบรรมัลมีโค้งสุดท้ายของเขาจะได้เป็นพระปัเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตนะได้เป็นพระประเจกพุทธเจ้าสําเร็จเป็นพระประเจกพุทธะแต่ปากจะเหม็นพออ้าปากขึ้นมานะค น, นปิดจมูกวิ่งหนีเลยพระเทวทัต ส, สมัยท่านเป็นพระปัจเจกท่านจะได้ใช้กรรมตนนัวนี้คือการจ่วงจากคือใช้วาจาที่ไม่สุภาพไม่เรียบร้อยอใช้วาจาอันเป็นเท็จ ร่วงจากพระพุทธเจ้าหาเรื่องใส่พระพุทธเจ้าในทั้บาปกรรมตัวนั้นนะ่ะเมื่อท่านได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วท่านยังใช้กรรมอยู่ น, ะนี่แหละก็ยังดีนะพระเทวทัตนะ่อาจจะดีกว่าพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายจะได้รับพยากรอย่างที่ทเทวทัตหรือไม่เขาไม่ทราบแต่พระเทวทัตมั่นแน่นอนแล้วนะแต่รับพยากร จะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตนี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของพุทธศาสนาคนะณะสัตายาติโยมอันนี้คือผู้เล่าเล่าให้ฟังก็คือบาปกรรมติดภพติดชาติการกระทำสิ่งไหนก็ตามให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจอย่างวันนี้ละพวกเราก็ได้มาร่วมมารวมกันสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจของใครของเรา แค่ว่าต่อบุญต่อใส่ปุ๋ยให้ฝายบุญตอกกอนบางทีบางครั้งเราก็ต่อต่อบาปต่อกรรมให้ทางบาปสร้างไปทางบาปบันนี้เรามาต่อสร้างทางบุญให้พวกเราเนึกดูัวช่ว่าในใจของเราตัวของเราบุญกับบาปอันไหนมากกว่ากันถ้าว่าอันบุญมันมากเราก็ควรจะถ อ, ถอยถอยทางบาปออกนะ เราก็ควรจะสั่งสมบุญแต่ถ้าว่ามันมีบุญอยู่แล้วเราก็พยายามทำให้เรื่อยๆให้สูงขึ้นพอจะงดเว้นทางบาปแล้วก็ให้ห่างทางบาปวัคคุศลในจิตในใจของพวกเราไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายนั่นแหละรู้เองว่า เ, เกิดมาทั้งทีชีวิตเกิดมาคราวนี้ครั้งนี้ได้พบพระพุทธศาสนา ได้ปฏิบัติถิ่นปฏิบัติศิล ป, ปฏิบัติธรรมอย่างไรได้มุ่งมั่นในศีลในธรรมอย่างไรไม่มีใครจะรู้ยิ่งกว่าตัวของพวกเราเพราะนั้นวันนี้ถือว่าวันหนึ่งพวกเราได้มาร่วมกันทําบุญอุทิศส่วนกุศลสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจได้สมาทานศีลและวคถวายทานต่อนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรพวกเราให้รับพรและอุทิศส่วนกุศลนะ อุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณสำหรับพวกเราท่านเหล่านั้นกันวิญ ญ, ญาณดวงวิญญาณคือใจพวกเราก็สง่งอุทิศส่วนกุศลคือสุดดวงวิ ญ, ญญาณของพวกเราเนี่ยเป็นพลังส่งไปให้ดวงใจของท่านเหล่านั้นคือน้ำธรรมส่งให้น้ำธรรมรูปธรรมส่งให้รูปธรรมถ้าเราส่งของทางไปชนีนะวะส่งรูปธรรมส่งให้รูปธรรม แต่มาทําบุญเนี่ยเอาเราทำบุญนามธรรมคือมองไม่เห็นเราส่งให้นามธรรมนามธรรมตัวนามธรรมถ้าเขามีญาณวิถีที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้เขาจะมารับนะเพราะอะไรเพราะว่าเร า, าทิศส่วนกุศลดวงวิญญาณถ้าว่าสิสิงจะติดชุดสินใด ตกทุกข์ได้ยากอย่างไรให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าในคราวนี้ครั้งนี้ด้วยเทินเวลาเราทําบุญทุกครั้งนะเวลาเราไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาก็ตามนะเวลา เ, เราประกอบคุณงามความดีน ะ, ะให้เราอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณเมือนกัอเราไปทาํามาค้าขายถึงจะได้กําไรมากกําไรน้อยอเราก็พร้อมที่จะแบ่งให้แก่วงสาคณาญาติ แต่เขาไม่อยากจะเห็นแต่ความยากจนของเรานะี่ยนะถ้าเราไปกินเหล้าวลานะ้ำมาไปป่นไปขโมยไปทําความชั่วเสียหายนะเนี่ยเขามีต่มองเราแต่นน ะ, ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายดวงวิญญาณโ อ, อ้ลูกหลานของเราทําไมทําอย่างนั้นได้ปะ่ะน่าสลดสังเวชใจเกิดมาทั้งทีเกิดมาได้พบพรพุทธศาสนาแล้วกลับไปทําสิ่งที่มันไม่ดีกลับทํำสิ่งที่ชั่วชา้ชวชาติเสียหาย บาปกรรมอกุศลไม่น่าจะทําเลยเขาคิดไว่าย่างงั้นเท่านั้นแหะนะถ้าตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พอและพรในทะเลนะอุทิศสวนกุศกลกรวดน้ําอุทิศสวนกวนุศลถ้าผู้ใดมีน้ําก็กรวดน้ําถ้าไม่มีน้ําก็ขวดน้ําใจนะั่นนะนึกคิดอุทิศสวนกุศลในใจนะ